เรื่องพระฉับพักขีใช้จีวรที่ไม่ได้ตัดสมัยนั้นพวกภิกษุฉับพักขีใช้จีวรที่ไม่ได้ตัดที่ย้อมน้ำฝาดมีสีเหมือนงาช้างคนทั้งหลายตำหนิประนามโพลถนาว่าเหมือนคฤหัสถ์ผู้บริโภคกรรมภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ